วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันหยุดทำงานของสัตย า, าติโยมพุทธบริษัทเพื่อมีจิตศรัทธามีความเชื่อมีภาษาธมมีความเลื่อมใส ในพระบรมมศ า, าสดาพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อสัตว์โลกทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่จะได้มาศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนวิธี ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏในวัฏสงสารในไตรพบคือกามพบรูปพบและอรูปพบ ถ้าไม่ได้มายินถ้าไม่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมไม่ได้มาศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนจะไม่รู้ว่าตนเองคือพวกเราที่กําลังฟังธรรมกันอยู่นี้ติดคุกติดตารางกันอยู่จะว่าแต่วิธีที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเลย ไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าตอนนี้กำลังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอะถ้ามองไปที่ร่างกายก็จะคิดว่าพอร่างกายตายก็จบร่างกายตายทุกอย่างก็จบไม่มีอะไรตามมาต่อไปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ ไม่มีการไปเกิดใหม่ตามมาเพราะสิ่งที่ไปเกิดสิ่งที่ไปเวียนว่ายตายเกิดสิ่งที่ไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายนั่นเองเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าที่ตาของร่างกายจะเห็นได้ เหมือนกับกระแสรหรือสัญญาณวิทยุที่ละเอียดกว่าสายตาของมนุษย์ที่จะมองเห็นได้แต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีสัญญาณวิทยุเพราะถ้าลองเปิดวิทยุเปิดมือถือดูก็จะเห็นว่ามีสัญญาณเพราะจะมีการโทรเข้าโทรออกได้ นี่คือความละเอียดของจิตใจของผู้ที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าไม่มีผู้ที่ฉลาดผู้ที่สามารถเปิดตาในให้เห็นจิตใจได้ก็จะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่ากำลังติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายจิตใจตอนนี้ ถูกติดคุกอยู่คุกนี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้านที่หนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายนี่คือกำแพงที่ขังจิตใจมาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยากจะรู้ว่าได้ติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ มานานสักเพียงไรก็ให้เอาน้ำตาที่ได้หลั่งออกมาในชาตินี้มารวมกันแล้วดูซิว่าได้สักเท่าไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละภพแต่ละชาติมารวมกันมันจะมีมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทร คิดดูกันแล้วกันว่าจะต้องมาเกิดกี่ครั้งมาตายกี่ครั้งมาร้อมหงร้อมห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะทำให้มีน้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นละคือเวลาที่พวกเราจิตใจของพวกเราติดคุกในตารางติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่และจะติดในคุกนี้ต่อไปเรื่อย พอพวกเราเองนี้จะไม่มีความสามารถที่จะรู้จากวิธีให้ออกจากคุกจากตารางของการเกิดแก่เจ็บตายไปได้ด้วยตนเองเราจะมีโอกาสที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อมีคนที่ฉลาดที่ได้รู้จากวิธีออกจากคุก และได้หลุดออกจากคุกไปแล้วมาบอกมาเล่าวิธีให้พวกเราฟังเท่านั้นผู้ที่จะหลุดออกจากคุกตารางได้ด้วยตนเองนี้ก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักคนหนึ่งที่สามารถที่จะรู้วิธีที่จะทำให้จิตใจของตน ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้พอได้หลุดออกแล้วก็เอามาบอกผู้ที่ยังติดคุกติดตารางอยู่เพราะรู้ว่าการติดคุกติดตารางนี้มันทุกข์ทรมานอย่างไรนั่นเองและการหลุดออกจากคุกตารางนั้นสุขสบายอย่างไรจึงมีความปรารถนามีความหวังดี ต่อผู้ที่ยังติดอยู่ในคุกในตารางอยู่อยากจะให้ได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เหมือนกับตนที่ได้หลุดออกแล้วบุคคลนี้ก็คือพระพุทธเจ้านี่เองที่จะมาทรงตัดสรู้รคาว่าตัดสรู้ก็คือทรงรู้ว่าตนเองกำลังติดอยู่ในคุกในตาราง และรู้วิธีที่จะทำให้ตนเองได้หลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองพอมีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสะรู้แล้วและพอพระองค์ได้ทรงตัดสินพระทยัยที่จะเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้ได้ยินได้ฟังได้มีศรัทธา น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถที่จะทำให้ตนได้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ได้มีการเผยแผ่แผธรรมมาตั้งแต่วันอาสาลหาหบูชาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ววันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสั่งคำสอนครั้งแรก ตรงกับวันเพนเดือน8ปดเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชาสองเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุในวันเพนเดือนหกหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ระยะหนึ่งพอถึงเวลาพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่า ควรจะเอาความรู้อันเปรฐนี้มาแจากจ่ายให้กับผู้ที่ไม่รู้หรือไม่ในเบื้องต้นทรงมีความท้อพระทยัยทรงคิดว่าสิ่งที่พระองค์ทรงรู้และทรงปฏิบัตินี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้ จึงมีความรู้สึกไม่อยากจะประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกแต่พอเท้ามาหารมได้ทราบข่าวก็เลยรีบมาอาราธนาขอความเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ทรงค่้ยควรพิจารณาดูอีกสักครั้งเพราะสัตว์โลกนี้ก็ไม่เหมือนกันสัตว์โลกนี้มีคนหลายระดับด้วยกันมีคนที่ ฉลาดและมีคนที่ไม่ฉลาดคนฉลาดถ้าพระองค์ทรงตัดสินพระทัยไม่ประกาศพระธรรมคําสอนคนฉลาดที่มีโอกาสที่จะรับพระธรรมคําสอนของพระองค์ไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถได้รับประโยชน์ได้หากพระองค์ทรงตัดสินพระทัยไม่ประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สัตว์โลกหลังจากที่ได้รับอาราธนา และหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาดูจิตใจของสัตว์โลกที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ทรงเห็นว่าสามารถแบ่งไว้ได้เป็นสี่ระดับด้วยกันหรือสี่จำพวกที่พระ อ, องค์ทรงเปรียบเหมือนกับพวกบัวสี่เหล่าบัวนี้ก็มีอยู่สี่พวกด้วยกันพวกที่ อยู่เหนือน้ำแล้วพร้อมที่จะบานเมื่อได้สัมผัสกับแสงพระอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้นนี่เป็นพวกที่หนึ่งเป็นพวกที่ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์กับคนก็เป็นพวกที่มีความรู้ความสามารถมากที่จะสามารถน้อมเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ทันที และเกิดผลทันทีนี่คือบุคคลกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนี้พระ อ, องค์ก็ทรงพิจารณาว่าก็คือพวกที่พร้อมที่จะรับพระธรรมคาสอนนั้นก็คือพวกที่เป็นนักบวชพวกที่มีศีลบริสุทธิ์และพวกที่มีฌานมีสมาธิสมบูรณ์สามารถเข้าฌาน รูปฌานอารูปฌานได้สามารถที่จะทําจิตให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ได้ถ้าพระองค์ทรงนําเอาพระธรรมคําสอนที่พระองค์ได้ท่งค้นพบ ม, มาเอยแผ่ให้กับพวกกลุ่มแรกนี้กลุ่มพวกนี้ก็จะสามารถที่จะรับคําสอนและน้อมนําเอาไปปฏิบัติเพื่อกําจัด เหตุที่ดึงให้สัตว์โลกติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่คือกลุ่มที่หนึ่งคือพวกบัวบัวเหนือน้ำแล้วแต่ยังไม่ได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบัวได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ก็จะบานออกมาทันที นี่คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคือบัวปริ่มน้าบัวที่ยังอยู่ระหว่างการที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าอยู่ต้องรอระยะเวลาอีกสักสองสามวันถึงจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้าแล้วก็บานต่อไปได้เมื่อได้รับสมัมผัสกับแสงอาทิตย์แสงสว่างของดวงอาทิตย์พวกนี้ทรงเปรียบ ว, ว่าเป็นพวกนักบวชที่มีศีลบริสุทธิ์ แต่ยังไม่สามารถเข้าฌานเข้าสมาธิได้กำลังอยู่ในการฝึกฝนอบรมวิธีที่จะทำให้จิตใจสงบจิตใจนิ่งจิตใจเป็นอุเบกขาขึ้นม า, าพวกนี้ถ้าสอนวิธีการทำจิตใจให้สงบสอนวิธีจเจริญสติ ไม่นานเขาก็จะสามารถที่จะเข้าสมาธิเข้าฌานได้เมื่อเขาเข้าฌานได้เข้าสมาธิได้ก็สอนปัญญาให้กับเขาได้สอนให้เขารู้ว่าเหตุที่ทำให้เขาต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดจากอะไรและสอนวิธีที่จะกำจัดเหตุที่ทำให้มาเวียนว่ายตายเกิดนั้น ให้กำจัดได้ด้วยอะไรพอสอนแล้วต่อไปเขาก็จะสามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไ ด, ได้นี่ก็คือบัวเหล่าที่สองบุคคลกลุ่มที่สองบุคคลกลุ่มที่สามก็คือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นนักบวช แต่มีความสนใจที่อยากจะเป็นนักบวชแต่ยังมีภาระผูกพันอยู่กับทางครอบครัวอยู่ทางโลกอยู่แต่เพียงพยายามที่จะทำบุญทำทานเพียนพยายามที่จะรักษาศีล ร, รักษาศีลห้าในวันธรรมดาแล้วก็รักษาศีลแปดในวันหยุดทำงานเพื่อที่จะได้ ฝึกซ้อมวิธีที่จะเป็นนักบวชต่อไปตรกนี้ก็คือบรรดาอุบาสกอุบาสิกาของพุทธาาศาสนาในปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายก็เพียงพยายามปฏิบัติตามกำลังตามฐานะของตนไปก่อน เพราะยังมีพาระผูกพันกับทางครอบครัวอยู่ยังไม่สามารถที่จะออกบวชได้แต่ถ้าได้ยินได้ฟังธรมอยู่เรื่อยๆก็จะมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับแล้วไม่ช้าก็เร็วก็สามารถที่จะเปลี่ยนจาก บัวกลุ่มที่สามนี่ไปเป็นบัวกลุ่มที่สองและกลุ่มที่หนึ่งต่อไปได้ตามลําดับฮะพวกนี้เรียกว่าเป็นบัวกลางน้ำํำบัวที่โผล่มาจากตมโครอนอยู่กลางน้ําอยู่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายวันถึงจะโผล่ขึ้นเหนือน้ําได้ส่วนกลุ่มที่สี่บุคคลกลุ่มที่สี่นี้ พระ อ, องค์ทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนบัวที่อยู่กับโคลนตมเอพิ่งกําลังจะงอกขึ้นมาจากโคลนตมบัวพวกนี้โอกาสที่จะจะเริ่เติบโตนี้มีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปพวกนี้บัวกลุ่มนี้พระ อ, องค์ทรงเปรียบกับพวกคาลาวาผู้คลองเรือน ที่ไม่มีความสนใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมในเรื่องของอาการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องของการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายคือไม่มีความเชื่อว่าตายแล้ว ต, วต้องไปเกิดใหม่เป็นพวกที่มืดบอดเห็นแต่เพียงร่างกายก็คิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบลงชีวิตก็จบสิ้นลง ไม่มีผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีใครไปสวรรค์ไม่มีใครไปนรกไม่ไม่มีใครไปเกิดใหม่พวกนี้เขาก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการหาความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้จากการไปทำบุญทาทานมีแต่เสียเงินเสียทองเสียเวลา ไม่เห็นประโยชน์จากการรักษาศีลเพราะจะขัดขวางการหาความสุขต่างๆในโลกนี้ออก็เลยไม่สนใจที่จะทำบุญทาทานไม่สนใจที่จะรักษาศีออลพวกนี้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตไปในทางธรรมไดออ้นี่คือบุคคลกลุ่มที่สี่ หรือพวกบัวเหล่าที่สี่บัวที่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปเมื่อหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแยกแยะบุคคลไว้เป็นสี่กลุ่มเป็นบัวสี่เหล่าแล้วพระ อ, องค์จึงทรงพิจารณาว่าควรจะไปโปรดบัวที่อยู่เหนือน้ำก่อน พอก่ายต่อการสั่งสอนถ้าเป็นการลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็วลงทุนไม่ไม่มากพูดไม่กี่ครั้งก็ได้ผลตอบแทนถ้าไปสอนกลุ่มอื่นนี่จะต้องเสียเวลามากกว่าจะได้ผลตอบแทนขึ้นมาจึงทรงมุ่งไปสอนพวกนักบวชที่มีศีล บริสุทธิ์และมีสมาธิที่มั่นคงก่อนบุคคลที่พระองค์ทรงลำเลึกถึงที่มีคุณสมบัตินี้ก็คือพระ้ า, าจานสองรูปที่พระองค์ได้ทรงไปศึกษามาก่อนนั่นเองแต่พอถามข่าวก็ทราบว่าองค์หนึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปเดือนที่แล้วอีกองค์หนึ่งก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จังทรงมีความารู้สึกเสียดายเพราะว่าโอกาสที่พระอาจารย์สองรูปนี้จะหลุดพ้นนี้จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีอยู่มากมายถ้าได้ถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่พอตายไปแล้วนี้โอกาสที่จะ ได้มาเรียนรู้วิธีที่จะทาให้ตนได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายกวดนี่มันจะยากมากเพราะว่าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วจิตของท่านก็จะไปเกิดในพรหมโลกและจะอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลาอันยาวนานหลายพันปีหลายหมื่นปีพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ าศาสนาที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ก็จะหายจางจากโลกนี้ไปแล้วพอท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ท่านก็จะไม่ได้มาพบกับพุทธศาประพุทธศาสนาอีกโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิธีที่จะได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่มีสําหรับท่านสองรูปนี้เมื่อคิดถึง สองรูปนี้แล้วรู้ว่าไม่สามารถช่วยท่านได้แล้วก็คิดถึงกลุ่มต่อไปบุคคลที่พร้อมที่จะรับคําสอนและสามารถนําเอาไปปฏิบัติได้ก็คือพระปัญนจาวกีคือฤาษีที่ได้ติดตามพระพุทธเจ้าอยู่5รูปด้วยกันโยกีเขเรียกว่าโยกีหรือฤาษีสหายเป็นสาธรรมิกของพระพุทธเจ้า หรือทรงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะทรงเคารพเห็นคุณสมบัติเห็นความสามารถของพระพุทธเจ้าหน้าเลื่อมใสหน้าศรัทธาจึงขอติดตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อหวังที่จะได้อาศัยความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนกับเป็นใบ เป็นตัวพาให้ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดไปพร้อมๆกับพระพุทธเจ้าแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงหยุดการทรมานตนด้วยการรับปรานะด้วยการงดอาหารอยู่49วันพอเห็นพระพุทธเจ้าส่งหยุดก็เลยคิดว่าพระพุทธเจ้ายอมแพ้กลัวตายแต่ความจริงพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่า การอดอาหารนี้ไม่ได้ทำให้ความทุกข์หายไปจากใจยึงทรงรู้ว่าความทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความทุกข์นี้อยู่ในใจก็ทรงเ ล, เลิกวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ด้วยการอดอาหารเพราะคิดว่าถ้ามีความอดทน ก็จะสามารถที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากการอดอาหารได้เอาชนะความทุกข์ได้แต่ความทุกข์มันก็ยังมีอยู่เพราะความทุกข์มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากกินอาหารเพราออยากกินอาหารขึ้นมาถึงมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อทรงเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายต้องมาแก้ที่ใจต้องมาแก้ความอยากที่ใจ พองก็เลยต้องหยุดการรับประทานอาหารแล้วกลับมารับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายมีกําลังเพื่อที่จะได้มาใช้วิธีกําจัดความทุกข์ด้วยการภาวนาจิตตภาวนาคือสมะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาพอพระองค์ทรงทรงหยุดการอดภรกยอาหาร เราพระปัญจวัคคีทั้งห้าก็เกิดความเสื่อมศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงกลัวตายมั้งไม่ยอมสละชีวิตเพื่อเอาชนะความทุกข์ก็เลยถอยออกไม่ขอติดตามรับใช้ต่อไปแยกไปอยู่ที่อื่นพอพระพุทธเจ้าส่งตัดสูและส่งตัดสินพระทย ที่จะประกาศพระธรรมคำสอนก็นึกถึงพระปัญจ ว, วัคคีเพราะเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีความสามารถเข้าสมาธิได้เข้าฌานได้ก็เลยมุ่งไปหาพระปัญจวัคคีทั้งห้านี่พอทราบข่าวว่าอยู่ที่ไหนก็ส่งมุ่งไปไปหาที่นั่นพอเวลาไปพบกันตอนแรก พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็มีความรู้สึกก็เขินไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าอย่างไรดีแต่พอได้ทรงเห็นพระบารมีฉายแสงออกมาก็เลยน้อมกับทำความเคารพแล้วก็เชิญให้พระองค์ประทับแล้วก็ทรงมีการสนทนาปสาสัยกันไป หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเป็นครั้งแรกนี่เรียกว่าธรรมจากกัปวัตตนสูตรที่ทรงแสดงไว้ในวันเพ็ญเดือนแปดที่เราเรียกว่าวันอาสาฬหาบูชาที่จะตามมาในเดือนสองเดือนข้างหน้านี้อันนี้ก็หลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมเสร็จทรงแสดงเหตุที่ทำให้จิตติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิด และทรงสแสดงเหตุที่จะทําให้จิตได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดคือทรงสแสดงพระอริยสัจสีนี่ทรงสแสดงว่ากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นเหตุที่ดึงให้จิตใจของสัตว์โลกต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะกามตัณหาก็คือความอยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถะนี่เอง การที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลภัณฑ์ได้ก็ต้องมีตาหูจมูกรินกายเเมื่อต้องมีตาหูจมูกรินกายก็ต้องมีร่างกายพอที่ไหนมีการสร้างร่างกายขึ้นมาจิตที่มีความอยากนี้ก็จะไปเกาะติดที่ร่างกายนั้นทันทีเจิตที่ไม่มีร่างกายก็จะไปเกาะติดกับร่างกายที่สร้างขึ้นมาใหม่ทันที ก็จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาในคันทันทีตอนต้นจะมีการผสมพันธ์ก่อนระหว่างพันธุ์ของพ่อกับของแม่พอมีการผสมพันธ์มีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็จะมีจิตที่ต้องการร่างกายนี้มาเกาะติดกับร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็จะมีการปฏิสนธิมีการตั้งขันขึ้นมา การปฏิสนธินี้ต้องมีสามส่วนถึงจะสําเร็จส่วนของพ่อมาผสมกับส่วนของแม่แล้วก็มีส่วนของดวงวิญญาณของผู้ที่มีความอยากจะมีร่างกายผู้ที่มีกามาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหามาเกาะติดเมื่อมีสามส่วนนี้ก็จะมีการปฏิสนธิคือมีการ ตั้งคันขึ้นมาแล้วหลังจากที่อยู่ในคันได้เก้าเดือนก็จ ะ, จะเจริญเติบโตเต็มที่ไม่สามารถอยู่ในคันต่อไปได้ก็จะคลอดออกมาแล้วก็จะมาเจริญเติบโตด้วยการเลี้ยงดูของบิดามารดาด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟในรูปแบบของอาหารชนิดต่างๆ โดยการหายใจเข้าออกด้วยการดื่มน้ำชนิดต่างๆและด้วยความร้อนที่ได้รับจากแสงจากแสงค่าอาทิตย์เนี่ยนี่คือการเจริญเติบโตของร่างกายอาศัยการหล่อเลี้ยงของธาตุสีธาตุดินน้ำลมไฟร่างกายก็เลยเจริญเติบโตขึ้นมาพอโตก็สามารถที่จะไปทําตามความอยากของจิตใจได้ จิตใจต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ไปได้จะมีจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็ต้องมีลาบยศสรรเสริญก็ต้องไปหางานหางานทําไปหาเงินไปหาตําแหน่งไปหารางวัลอะไรต่างๆพอได้ลาบยศสรรเสริญก็สามารถที่จะไปหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพได้ นี่คือพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเหตุที่พาให้มาเกิดพอเกิดแล้วร่างกายมันก็มีธรรมชาติของมันคือเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จะเจลานเติบโตไปจนถึงขีดเต็มที่พอมันเจลานเติบโตเต็มที่แล้วมันก็ไม่สามารถโตขึ้นไปกว่า น, นั้นได้เช่นสูงแค่นี้จะสูงขึ้นไปเป็นเปลดขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปทางข้าง มันกลายเป็นตุ่มไปแต่จะให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้มันในที่สุดมันก็จะจ ะ, จะรันเติบโตเต็มที่แล้วพอมันเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มนับถอยหลังล้วทีนี้มันจะเริ่มเสื่อมแล้ะมันจะเริ่มเข้าสู่วัยชราแก่ลงไปที่เล็กเทียน้อยแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็จะตามมา แลในที่สุดมันก็จะต้องตายไปนี่คือผลที่เกิดจากการมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ในใจกามตัณหาก็อยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะภาวะตัณหาก็อยากมีอยากเป็นกันอยากร่าอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากรออยากมีสมบัติอยากมี เท่าของเงินทองมีกระเป๋ารองเท้ามีเสื้อผ้ามีอะไรร้อยแปดอะเรียกว่าภาวะตันหาวิภาวะตันหาก็อยากไม่มีในสิ่งที่ไม่ชอบอะไม่ชอบความแก่ก็ไม่อยากแก่ไม่ชอบความเจ็บไม่ชอบความตายอะไม่ชอบความจนไม่ชอบความนินทาอ่ใครพูดใครตําหนินี่โอ้โหโกรธเสียใจ ไม่ชอบเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็พยายามจะหนีมันหนีมันเพื่อไปหาสิ่งไปหาหาที่ที่ไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบเช่นคนแก่บางทีก็ฆ่าตัวตายเพราะแกะแล้วหาความสุขไม่ได้อยู่กับความซึมเศร้าทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายมันก็ไปเกิดใหม่นี่คือ เหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าทรงสแสดงและก็ทรงสอนว่าเหตุที่จะทำให้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็คือมากำจัดความอยากทั้งสามตัวนี้วิธีที่จะกำจัดก็คือเรียกว่ามัสมัทที่เอามาใช้กำจัดความอยากก็คือทานศีลภาวนาทำทาน คือเอาเงินที่จะไปใช้กับความอยากนี้เอาไปทำทานให้หมดอยากจะซื้อกระเป๋าซื้อของไม่จำเป็นเอาไปทำทานให้หมดอยากไปเที่ยวเอาไปทำทานให้หมดเพราะเมื่อมันไม่มีเงินเที่ยวมันก็จะไม่ได้เที่ยวมันก็จะเลิกอยากเที่ยวได้เมื่อไม่มีเงินซื้อกระเป๋ามันก็จะไม่อยากจะซื้อกระเป๋าต่อไปความอยากใช้เงินตามความอยากก็หมดไป เมื่อไม่ต้องใช้เงินตามความอยากก็ไม่ต้องไปทำงานหาเงินไปบวชได้ไปบวชไ ด, ไ ด, ได้เพราะบวชก็มีคนเลี้ยงอยู่ฟรีกินฟรีอยู่แล้วทำไมต้องบวชเพราะาถ้าไม่บวชก็ยังไม่สามารถกำจัดที่ส่วนที่มียังมีเหลืออยู่ในใจได้ส่วนที่มีเหลืออยู่ในใจก็ยังมีความอยากอย่างอื่นอยู่อยากเวลาโกดใครก็ยังอยากฆ่าเขาอยู่อยาก หรือเวลาอยากได้ข้าวของอะไรที่ตนเองไม่มีก็อยากขโมยก็เลยให้ถือศีลให้หัดมาถือศีลห้าถือศีลห้าได้แล้วก็ ห, หัดมาถือศีล8เพราะว่าถ้าไม่ถือศีลแปมันก็ยังมีมัน ก, ก็ยังกำจัดความอยากที่อยากไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้ยังอยากจะหาความสุขจากกินอาหารตามความต้องการไม่ได้ ถือสินแปะนี่พอหลังเที่ยงวันแล้วจบเอปิดโรงครัวปิดตู้เย็นล็อกตู้เย็นห้ามกินลิ้นชกลิ้นชักมีขนมก็อะไรให้ปิดไว้หมดเปิดไม่ได้ห้ามกินแล้วแต่ถ้าถือศินห้ายังกินได้อยู่ยังอยากกินนูน่นกินนี่ยังกินได้อยู่ไงต้องมาหยุดความอยากที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการใช้เงินทองเอก็เลยต้องอ ต้องห้ามมาถือศีลแปดกันนะครัเพราะว่าถ้าไม่ถือศีลแปดก็จะวุ่นวายกับการไปหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็จะไม่มีเวลามาทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากทั้งหลายให้มันหมดสิ้นไปการที่จะหยุดความอยากต่างๆทั้งสามนี้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี้ต้องหยุดด้วยการนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบต้องภาวนาทาทานแล้วก็ต้องมารักษาศีลศีลห้าแล้วก็ศีลแปดพอมีศีลแปดแล้วก็จะมีเวลาที่จะไปภาวนาไปเปีกวิเวกไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบพอนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วความอยากทั้งสามก็จะหยุดทำงานชั่วคราวพอ สมาธินี้ยังไม่สามารถที่จะถอนรากถอนโคนของความอยากได้เพียงแต่หยุดมันไว้กดมันไว้เหมือนหินทับหญ้าสมาธินี้เหมือนเอาหินไปทับหญ้าสมาธิคือหินพอหินไปทับหญ้าหญ้าก็งอกงามขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหญ้าออกยกหินออก เดี๋ยวยาได้น้ำค้างได้น้ำฝนก็งอกขึ้นมาใหม่สมาธิก็เป็นอย่างนั้นเข้าสมาธิแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องออกมาเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการดูต้องการรับการดูแลจากจิตใจเพราะว่ายังต้องถับต้องถ่ายต้องรับประทานต้องทำอะไรกับร่างกายอยู่นั้นการเข้าสมาธิจึงเข้าได้ไม่ได้ถาวร เข้าแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกมาคนที่เข้าสมาธิเก่งๆนะอาจจะเข้าได้ทีละสิบห้าวันทีละเดือนพวกฤอษีจีไพย์ต่างๆเขาเข้าฌานทีทีละสิบห้าวันสามสิบวันทำไมเขาถึงเข้านานๆเพราะเวลาเข้าแล้วมันมีความสุขอย่างเดียวความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากมันหยุดทางานนั่นเอง แต่มันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับร่างกายต้องมาดูแลร่างกายก็เลยต้องออกมามาดูแลเรื่องของร่างกายดูแลเรียบร้อยแล้วก็กลับเข้าไปใหม่สมัยก่อนนั้นทำได้เพียงเท่านี้สมัยก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดจรู้จะรู้จากวิธีหยุดความอยากต่างๆได้ด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌาน แต่พอออกจากสมาธิออกจากฌานมาพอจิตเริ่มคิดจิตเริ่มเห็นความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ใจก็ตามมาใหม่กลับมาใหม่เพอจิตที่มีความอยากนี่ไม่อยากตายกันอยากให้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไปเรื่อยๆนั่นเองเลยไม่มยังไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรที่จะทำใหออ้ไม่ทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่ออกจากสมาธิมาเ อ, อไม่มีใครรู้ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านก็รู้เพียงแต่วิธีของเอาเข้าฌานเพื่อหยุดความอยากหยุดความทุกข์รู้วิธีเอาหินมาทับหญ้าแต่ไม่รู้วิธีถอนหญ้าว่าถอนยังไงเอเมื่อไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องส่งคนคว้าหาเอาเอง ว่าทำไมความอยากมันจึงไม่หายไปด้วยการนั่งสมาธิพอจากสมาธิมาความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็หลังเ ล, ละส่งพิจารณาว่าออความอยากนี่มันเกิดจากความหลงลางเงาของความหลงของความอยากคือความหลงความหลงคืออะไรความหลงก็คือไม่เห็นตายลักษ์นี่เองไม่เห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นตายลักษ์ ไม่เห็นสิ่งที่อยากว่าเป็นอนิจจังเช่นร่างกายนี้ไม่เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงอนิจจังมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไปเกิดเมื่อไหร่ก็จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายขึ้นมาทันทีถ้าไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไม่ไปเกิดการที่จะไม่ไปเกิดก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยาก สอนให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาไม่ใช่เป็นความสุขสอนให้เห็นว่าการทำตามกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตัญห า, ะะญหาถึงแม้จะได้ความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเมื่อสิ่งที่ได้มาสูญเสียไปหรือมีการพัดภากจากกันไป ต้องให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปในภายหลังในเบื้องต้นจะนำไปสู่ความสุขกันเวลาได้อะไรมาดีใจกันแล้วพอเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยตอนนี้ได้เป็นนายกได้เป็นอะไรกันเลี้ยงฉลองกันเดี๋ยวไม่กี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวยุบสภาก็ เสียใจกันแต่ไม่คิดกันไม่เคยคิดถึงแม้จะยุคงหงาตอนนี้ขอเป็นก่อนดีกว่าดีกว่าอยู่แบบคอยแห้งอย่างน้อยมีอะไรกินไปพังพางก่อนแล้วถึงเวลามันหมดค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าไม่ว่าทำอะไรตามความอยากจะได้ความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วไม่นานความสุขนั้นมันก็ จะหมดไปอย่าไปหาดีกว่าสู้กลับไปหาความสุขที่ไม่มีวันหมดดีกว่าความสุขที่ไม่มีวันหมดก็คือความสุขที่ได้จากสมาธินี่เองกลับเข้าฌานไปดีกว่าเวลาเกิดความอยากก็เข้าฌานไปอย่าไปทําตามความอยากฝืนความอยากถ้าความอยากได้รับการฝืนไปไเรื่อยๆมันก็จะหมดกําลังไปเอ เหมือนกับคนที่อยากได้เงินจากเรานี่ถ้าเขามาขอเราเราให้เขาเดี๋ยวคราวหน้าเขาก็มาอีกแต่ถ้าเขามาแล้วเราไม่ให้เขาคราวหน้าเขาก็ไม่มานะพอมาแล้วรู้ว่ามาแล้วก็ไม่ได้ไก็ไม่มาดีกว่าแต่ถ้ามาแล้วได้รับรองได้ให้ไปสิบครั้งก็ยังกลับมาอีกแต่พอไม่ให้ครั้งเดียวไม่กลับมาแ น, ะนี่อันนี้ก็เหมือนกานลองดู ลองอยากดื่มกาแฟดูหน่ยแล้วลองไม่ดื่มมันดูหน่ยต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็หายไปทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟก็ไปดื่มน้ําเปล่าแทนเอาถ้าหิวน้ําก็ดื่มน้ำเสยไปดื่มกาแฟทําไมกาแฟก็น้ําเหมือนกันแต่กาแฟมันมีโทษมันทําให้ติดแต่น้ำมันไม่ติดอันนี้ลองฝืนดูทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟว่าหิวน้ําก็ไปดื่มน้านาําเปาาเ ล, าานนลาา่า ต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็หายไปผื้นมันไม่กี่ครั้งเท่านั้นอนะ่ะความอยากมันก็หายไปหายไปแล้วสบายไหมไม่ต้องมาคอยหากาแฟหาน้ำมาชงหาหานมหาน้านตามาใส่หาลานสตาบัคต้องกดในมือถืออยู่เรือ่อยอยู่ตรงไหนวะพอไม่ดื่มกาแฟแล้วก็สบาย เวลาไม่มีดื่มก็ไม่ทุกข์เนี่แหละคือปัญหาของความอยากถ้าอยากแล้วมันจะติดทำอะไรตามความอยากแล้วมันจะติดมันจะทำให้ทุกข์เวลาที่ไม่ได้ทำ อ, อันนี้พระพุทธเจ้าส่งคนพบวิธีว่าต้องใช้ปัญญาสอนใจก่อนจะใช้ปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนมีความสุขก่อน มีความสุขในใจก่อนถึงจะสามารถหยุดความอยากได้เพราะถ้ายังไม่มีความสุขในใจมันทนไม่ไหวก่อนที่ติดกาแฟติดบุหรี่ติดสุราติดอะไรนี้ที่เลิกไม่ได้เพราะยังไม่ได้ฝึกสมาธินั่นเองถ้าฝึกสมาธิแล้วจะมีความสุขทดแทนมีความสุขรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ถ้าได้ความสุขจากสมาธิแล้วแล้วรู้โทษของการดื่มกาแฟของการสูบบุหรี่ของการดื่มสุรา ว, ว่าจะทำให้ติดจะทำให้ทุกเวลาที่ไม่มีดื่มเวลาที่ไม่มีสูบก็ฝืนมันไม่สูบมันดีกว่าไม่ดื่มมันดีกว่าเวลาเกิดอาการทุกข์ใจก็เข้าไปในสมาธิแทนทำใจให้สงบความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป แล้วต่อไปพอเราไม่ได้ทำตามความอยากความอยากมันก็จะถอยไปมันก็จะไม่มาบรบกวนเราอีกต่อไปพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือภาวะตัณหาหรือวิภวะตัณหาความอยากที่พาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายก็จะหายไปหมด พอไม่มีความอยากการเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่มีต่อไปชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายไปไม่ต้องมากลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะเหตุที่พาให้จิตใจมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมันถูกกำจัดไปหมดถูกกำจัดด้วยปัญญาปัญญาเป็นผู้กำจัดความอยากส่วนทานศีลภาวนาเป็นผู้ตัดกำลังมัน ตัดให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับการตัดต้นไม้ก่อนที่จะตัดต้นไม้ได้ตัดส่วนที่มันง่ายก่อนตัดกิ่งตัดใบก่อนเพราะมันเล็กแต่ส่วนที่ตัวต้นนี่มันใหญ่ต้องเพิ่มสร้างกําลังขึ้นมาจากการตัดกิ่งตัดใบพอตัดกิ่งตัดใบก็จะมีกําลังจะมาตัดต้น พ อ, อ, อตัดต้นก็ก็จะมีกำลังที่จะถอนรากถอนโคนมันได้ถ้าต้นไม้เพียงแต่ตัตดกิ่งตัดก้านเดี๋ยวมันก็ยังงอกขึ้นมาได้อยู่ตัดต้นมันก็ยังงอกขึ้นมาได้อยู่ถ้ายังมีรากฝังดินอยู่ถ้าอยากจะให้ต้นไม้นี้ตายอย่างสนิทไม่มีวันที่จะงอกงามขึ้นมาได้ก็ต้องถอนรากของต้นไม้ขึ้นมาจากดินเอะปัญญานี่แหละเป็นผู้ถอนราก ของกิเลสตัณหาของความอยากต่างๆส่วนทานศีลสมาธินี่เป็นผู้ที่ตัดใบตัดกิ่งตัดลำต้นเพื่อที่จะได้ถอนรากขึ้นมาได้ง่ายทานศีลสติทานศีล ส, ส, สมาธิปัญญานี่คือเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าได้สงคนพบในวิธีกาจัดความอยากต่างๆ พอหลังจากที่ทรงแสดงเหตุและผลเหตุที่ทําให้มาเวียนว่ายตายเกิดและเหตุที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดให้แก่พระปัญจวคีหนึ่งในพระปัญจวคีก็มีดวงตาเห็นธรรมสามารถทาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะศีลก็มีแล้วทานก็ทําไปหมดแล้วสมาธิก็มีอยู่เต็มที่แล้วขาดเพียงแต่ปัญญา คือไม่ยอมหยุดความอยากเท่านั้นเองพอรู้ว่าความอยากนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต้นเหตุของการที่จะพาไปสู่ความทุกข์ต่างๆก็เลยเลิอกอยากเลยเลิอกอยากให้ร่างกายไม่แก่เลิกอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายพอเลอกความอยากได้จิตก็หลุดพ้นในระดับขั้นที่หนึ่ง บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาใ น, นีแต่บรรลุเพียงคนเดียวทำไมอีกสี่คนยังไม่บรรลุเพราะว่าอีกสีคนนี้ปัญญายังไม่แหลมคมเท่ากับพระบัญญัวัคเท่ากับพระ อ, อัญญาณโกนทัญญะมีศีลเท่ากันมีสมาธิเท่ากันแต่ยังไม่สามารถนึกภาพตามได้เหมือนกับพระ อ, อัญญาณโกนทัญญะ แต่พอหลังจากไป่ข้ควรพิจารณาอีกสักระยะหนึ่งก็เข้าใจและสามารถบรรลุขึ้นมาต่อไปได้แล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งทรงแสดง อ, อนัตตะลักษณ์สูตรทรงแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่จิตใจมาครอบครองมาอยากได้มาอยากมีอยากเป็นนี่ล้วนเป็นอนัตตา คือไม่มีตัวตนไม่ได้จิตใจไม่สามารถครอบครองสิ่งต่างๆที่หามาได้ไปไต้ตลอดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไม่สามารถควบคุมบังคับสั่งให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของใจได้ถ้าอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นได้ร่างกายมาแล้วก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็ห้ามมันไม่ได้ ห้ามความไม่แก่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้พอไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะทุกรือสิ่งอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในภายในก็มีอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันดีอย่างเดียวไม่ได้อารมณ์บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีสลับกันไปสลับกันมา พอไม่ดีก็ทุกข์เพราะอยากให้มันดีถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้มันดีก็ให้รู้เฉยๆไปให้รู้เฉยๆทำใจให้เป็นอุเบกขาไปมันก็จะไม่ทุกข์พอทรงสแสดงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาควบคุมบังคับไม่ได้อยากไม่ได้เขาก็เลยหยุดความอยากทั้งหมดเลยที่มีอยู่ในใจใจก็เลยหลุดพน้นความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจก็ไม่มี อกีกต่อไปการที่จะมาเกิดก็เลยหมดไปนี่คือการแสดงธรรมครั้งแรกแลบครั้งที่สองที่ทรงแสดงต่อพระปัญจาวาัคคีพอหลังจากทรงแสดงเสร็จก็ได้พระสาวก ข, ขึ้นมาห้ารูปครั้งแรกที่แสดงก็ได้พระอริยสงฆ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่พระรัตนาตราัยปรากฏขึ้นมาครบสาม คือมีพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและผู้ที่ได้บรรลุธรรมจากการฟังธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพ ร, พระโสดาบันขึ้นมาก็ปรากฏมีพระรัตนาตราัยครบองค์การมีพระรัตนาตราัยครบองค์ก็ถือว่าเป็นการเกิดของพระพุทธศาสนานั่นเอง ศาสนาพุทธจะอยู่ได้ไปนานๆก็ต้องมีพระรัตนตรยัยถึงแม้จะไม่ครบสามก็ไม่เป็นไรขอให้มีองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ไปการที่จะมีมีมีพระรัตนตรัยอยู่ไปได้เรื่อยๆก็ต้องมีพระอริยสงสาวกนี่แหละเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดมาถ่ายทอดพระธรรมคาสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไป ก็อาศัยพระอริยรสงสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุได้รู้ธรรมเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็ศรัทธาก็น้อมนําเอาไปปฏิบัติขอน้อมนำเอาไปปฏิบัติปปตก็บรรลุเป็นพระอริยรสงสาวกขึ้นมาต่อไปแล้วก็จะมีการสืบทอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ยุคของพระพุทธเจ้ามาจนถึงยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันนี้เราก็เห็นได้ด้วยการถ่ายทอดจากหลวงปูมงป่มัน่นหลวงปู่มั่นท่านบรรลุท่านก็มาสแสดงธรรมให้กับผู้ที่ไม่บรรลุครูบาอาจารย์ต่างๆไปบวชไปปฏิบัติไปศึกษากองหลวงปู่มัน่นเป็นเสจหลวงปู่มัน่นก็กลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาหลายรูปได้กัน รับตั้งแต่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้น่นสิทธิ์ผู้ใหญ่ไล่ลงมาเรื่อยๆตามลำดับของอายุพรรษาที่ไปศึกษากันแล้วท่านเหล่านั้นท่านก็ไปเผยแผ่ธรรมะต่อไปก็มีสิทธิ์ของหลวงปู่ขาวสิทธิ์ของหลวงปู่ฟ้น่นสิทธิ์ของหลวงปู่อะไรต่างๆก็ไปบรรลุธรรมอีกต่อไปนี่คือการ รักษาพระพุทธศาสนาการรักษาพระธรรมรักษาพระรัตนตรให้มีอยู่ในโลกต่อไปได้เรื่อยๆก็เกิดจากการที่มีการเผยแผ่ธรรมจะของพระอริยบุคคลผู้อื่นเผยแผ่ธรรมไม่ได้เผยได้แต่ไม่เป็นธรรมแท้เป็นธรรมปลอมผู้ที่ไม่เป็นพระอริยบุคคลนี้ธรรมยังไม่ได้เป็นธรรมแท้เพราะไม่ได้ทำเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติ เป็นธรรมที่เกิดจากจินตนาการเป็นการอ่านหนังสือแล้วก็จินตนาการไปว่าโอ้วิธีฆ่ากิเลสแค่อย่างนั้นฆ่าอย่างนี้แต่พอเจอกิเลสทีไรยกธงขาวทุกทีรู้วิธีฆ่าสอนได้สอนวิธีเจอกิเลสฆ่ามันเลยนะแต่พอตัวเองเจอยกธงขาวก่อนเลยเออ อันนี้มันไม่ใช่เป็นวิธี ท, ที่จะสอนได้ผู้ที่จะสอนธรรมะได้ต้องเป็นผู้ที่ฆ่ากิเลสได้แล้วเท่านั้นถึงจะสามารถสอนวิธีกาจัดกิเลสได้อย่างถูกต้องแต่ท่านตนเองยังไม่สามารถกาจัดกิเลสได้คนที่เรียนก็รู้ว่าอันนียเห็นเราสอนว่าฆ่ากิเลสแล้วทาไมเวลาเจอกิเลสไม่เห็นฆ่าสักทีกลับทาไมไปเลี้ยงมันนะไปเลี้ยงไปต้อนรับมัน คนฟังธรรมของคนที่ยังมีคนที่ยังไม่ได้ฆ่ากิเลสนี้ฟังแล้วเขาไม่มีศรัทธาไม่เหมือนกับเวลาฟังธรรมกับคนที่ฆ่ากิเลสได้แล้วฟังแล้วมันรู้สึกมีศรัทธามีความเชื่อว่าเป็นจริงดังที่เขาพูดทุกอย่าง จึงต้องมีพระอริยบุคคลเป็นผู้ถ่ายทอดสืบทอดพระศาสนาเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพราะอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพราะอารหันต์เพียงแต่ว่าท่านเป็นพระมหาอรหันต์ด้วยตนเองเราก็เลยยกย่องท่านเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่ตัดสัต ทำด้วยตนเองผู้ที่ทําตนเองให้เป็นพระพระอาหารหันต์ได้ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่ความจริงท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ส่วนผู้ที่เป็นพระอาหารหันต์ที่จากการได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าเราก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ตัดสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังเลย ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ศึกษาจึงได้เป็นพระอาหารหันต์ส่วนพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นผู้ศึกษาจากใครไม่มีใครสอนท่านก็ไปหาครูบาอาจารย์แต่ไม่มีครูบาอาจารย์องไหนรู้วิธีที่จะทําให้หลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เลยต้องไปศึกษาเอาเองค้นคว้าเอาเองพอค้นพบพอหลุดพ้นก็เลยเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาด้วยตนเอง ก็เลยเรียกเป็นพระอรหันตพุสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันด้วยตนเองถ้าเป็นพระอรหันด้วยการเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระอรหันตสาวกมีพระอรหันมีสองแบบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกในในพุทธศาสนานี้มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพียงองค์เดียว นอกนั้นต้องเป็นพระอาหารหันตสาวกทั้งนั้นเพราะต้องได้เรียนได้ฟังจากพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้จึงต้องอาศัยพระอาาริยาบุคคลตั้งระดับพระอรหันต์หรือพระอาาริยะบุคคลขั้นอื่นก็ได้ท่านก็รู้ทางเหมือนกัน แต่ว่าจะมีความสามารถมากน้อยต่างกันรู้ทางแต่ยังไม่สำเร็จยังดำเนินต่อแต่จะสำเร็จได้ต่อไปเพราะพอรู้ทางแล้วก็จะสามารถเดินไปเองได้ไม่ต้องให้มีใครมาสอนแตถ้ายังเป็นปุถุชนยังไม่รู้ทางนี้ยังต้องอาศัยคู่บาอาจารย์ต้องอาศัยพระอริยบุคคลเป็นผู้บอกทางก่อน ถ้าผาูา้ตุชนอาศัยปูตุชนบอกทางมันก็เหมือนคนตาบอดอาศัยคนตาบอดบอกทางนั่นเองเออนี่ยทำไมรรยิ่งต้องเผยแผ่ด้วยผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมคือพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นทางสู่การหลุดพ้นแล้วถ้าเป็นปูตุชนนี้เรายัางไม่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลเพราะยังมืดบอดอยู่ ยังมองไม่เห็นทางยังมองไม่เห็นธรรมดังั้นคนที่ไปศึกษาธรรมแต่ยังเป็นปุตุชนอยู่นี้ก็ยังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ก็จะไม่สามารถสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำสอนแล้วก็จะทำให้ผู้ฟังนี้ลังเลสงสัยได้แล้วก็จะไม่สามารถตอบความลังเลสงสัยของผู้ฟังได้นี่คือเรื่องของการถยแผล ธรรมะเรื่องของการรักษาพระพุทธศาสนาศาสนานี้จะอยู่ไปได้ยาวนานนี้ต้องมีการเผยแผ่ธรรมด้วยพระอริยะบุคคลเท่านั้นถ้าไม่มีพระอริยะบุคคลเผยแผ่แล้วต่อไปก็จะเป็นศาสนาที่ว่างจากมรรคผลนิพพานยังมีคำสอนอยู่ยังมีคำสอนในพระไตรปิฎกอยู่ยังมีการมาเรียนมาจดมาจำกันอยู่ แต่มาเรียนเพื่อเอาประกาศสนียบัตไม่ได้มาเอามามาเรียนเพื่อฆ่ากิเลสเรียนแล้วก็มีให้มอบอนักทำประกาศสนียบัตนักทำตีนักรำโทนักทมเอกได้ปริเลียนหนึ่งปริเลียนสองปริเลียนเก้าเนี่ยแต่ความรู้เหล่านี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่เอาไปใช้กาจัดกิเลสตัณหาผู้ที่ได้รับประกาศสนียบัตเหล่านี้ ยังไม่ได้ไปปฏิบัติยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมแต่พอไปเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เลยกลายเป็นเหมือนเอาคนตาบอดไปสอนคนตาบอดศาสนาพุทธตอนนี้จะเริ่มกลวงไปเรื่อยๆเพราะว่า แทนที่จะเอาคนตาดีมาสอนก็ไปเอาคนตาบอดมาสอนนั่นเองพอจบนะักธรรมตีโทเอกก็บอกไปสอนต่อได้ลนะสมัยนี้ลูกศิษย์ลูกา้าไปเรียนกรรมฐานได้หกอาทิตย์ได้หกเดือนก็ไปเป็นอาจารย์ต่อได้ลนะไปสอนคนอื่นต่อได้ลนะอันนี้ก็สอนแบบคนตาบอดสอนคนตาบอดอันนี้ก็คือ ความต้องการของสังคมต้องการผลเร็วๆต้องการครูมากๆต้องการเผยแผร่ธรรมะให้มากๆก็เลยเอากันแบบสุกเอาเผากินพอเรียนจบหลักสูตรหกเดือนก็ถือว่ามีความรู้ที่จะไปสอนผู้อื่นได้แล้วอันนี้ก็สอนกันแบบผิดๆถูกๆสอนแบบคนตาบอดขำช้างแล้วเดี๋ยวก็ไปนั่งถกเถียงกันปากเปียกปากฉีก นี่คือวงการของสงฆ์จะมีการเถียงกันไปเถียงกันมาวิปัสสนาเลยสมาธิไม่จําเป็นพวกจําต้องสำมะทะก่อนถึงจะวิปัสสนาได้เถียงกันไปเถียงกันมาผู้รู้เขาไม่ไปเถียงให้เสียเวลาแล้วรู้ว่ามันเป็นพวกตาบอดคําช้างบอกมันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันจะเชื่อในส่วนที่มันเห็นไปคําที่หางช้างก็ว่าเป็นเชือก ไปคำที่งาก็ว่าเป็นห อ, อกนะ ไ, ไปคำที่งวงก็ว่าเป็นงูไปคำที่ท้องก็ว่าเป็นกาแพงมันก็ถูกทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ถูกหมดน่ะถูกแต่ของเรส่วนกันวิปัสสนาก็สาคาัญสมถะก็สาคาัญมันมีหน้าที่ของมันต้องทำพร้อมกันมันถึงจะสาเร็จพอคนไปเชื่อฝังใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะเชื่ออย่างนั้น ก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาในวงการของพุทธศา พ, พุทธศาสนากันตอนนี้สับสนกันไปหมดคนที่มาฟังมาถามปัญหานี่ว่างงว่าไปที่หนึ่งสอนอย่างหนึ่งไปที่หนึ่งสอนอีกอย่างหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะเชื่อไหนดีนะนี่คือปัญหาถ้าเอาคนตาบอดมาสอนคนตาบอดต้องเอาคนตาดีมาสอนคนตาบอด คนตาบอดถึงจะสามารถเห็นเห็นไปถูกทางได้ต้องเอาพระอริยสงสาวอกดังนั้นหน้าที่ของพวกพุทธศาส น, นิกชนถ้าอยากจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่คงนานเบื้องต้นเราต้องศึกษาปฏิบัติตัวเองก่อนให้บรรลุธรรมจนเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาก่อนเมื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้วทีนี้ก็เอาไปสอนคนอื่นต่อได้ แล้วก็จะสอนแบบถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดผู้ที่เรียนก็จะสามารถบรรลุมีดวงตาเห็นตามทำตามขึ้นมาได้แล้วศาสนาก็จะอยู่ไปได้อยู่เพราะว่ามีมรรคผลนิพพานเป็นผลตามมานั่นเองถ้าไม่มีมรรคผลนิพพานต่อไปคนก็จะเสื่อมศรัทธาศึกษาไปปฏิบัติไปแล้วไม่ได้อะไร ก็จะเสื่อมศรัทธาไม่ปฏิบัติดีวกว่ากลับไปหาความสุขจากการเที่ยวการกินการดื่มการเล่นดีกว่าแล้วต่อไปก็จะไม่มีใครเข้าห า, าศาสนาอีกต่อไปอ ศา ส, สนาก็จะไม่มีความหมายและหมดความสำคัญต่อไปซึ่งก็เราก็คงเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าศาสนานี้มีการถดถอยความนับถือเลื่อมใสความให้ความสำคัญต่อศาสนานี้น้อยลงไปน้อยลงไปศาสนานทุกวันนี้ไม่ได้เป็นสถาบันที่ให้ความรู้เพื่อการหลุดพ้นกลายเป็นสถาบันให้ให้ให้เรียกอะไรลืมแนละ้เมื่อกี้จะพูดเรื่อว่า ให้แต่มีแต่บุญบางสังสว่วนมีแต่พิธีกรรม ศาสนากลายเป็นศาสนาพิธีกรรมไปไม่เป็นศาสนาธรรมไม่มใีใครสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติกันมีไว้เพื่อจะได้เปิดร้านเปิดห้างหรือเวลาทําบุญวันเกิดขึ้นบ้านใหม่อันนี้คือหน้าที่ของศาสนาในปัจจุบันในส่วนใหญ่มีส่วนน้อยที่ยังเป็นศาสนาธรรมอยู่ก็คือสายที่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรม แต่มันจะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ที่สนใจมีน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ถ้าเราอยากจะช่วยกันเราก็มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมกันแล้วก็จะได้มีการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้อย่างถูกต้องแล้วศาสนาก็อาจจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ถ้าเปรียบเทียบยุคสมัยหลวงปู่มั่นก็มีน้อย กว่าสมัยนี้สมัยนี้มีครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยสมัยก่อนต้องไปที่อีสารอย่างเดียวอย่างนี้มีเกือบทุกภาคทุกแห่งมีการขยายออกไปอันนี้ก็อาจจะเป็นการฟื้นฟูส่วนหนึ่งที่เกิดจากการมีภาริยะบุคคลมาเผยแผ่สั่งสอนแล้วมีผู้ไปศึกษาปฏิบัติและบรรลุธรรม แล้วก็นำมาเอาไปเผยแผ่สั่งสอนอีกทอดหนึ่งยังปรากฏมีสายปฏิบัติมากขึ้นทุกวันนี้มีการปฏิบัตินั่งสมาธิมีการฟังเทศฟังธรรมมีการเจริญปัญญากันอันนี้ก็คือเรื่องของของศาสนาที่บางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมแล้วแต่พุทธศาสนิกชนถ้ามี พระอริยบุคคลในช่วงใดช่วงนั้นาศาสนาก็จะเจริญพอพระอริยบุคคลหายไปช่วงนั้นาศาสนาก็จะเสื่อมก็สลับกันไปและในที่สุดก็คงจะเสื่อมหมดไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ก็คือประมาณห้าพันปีตอ mm hmm. น, นนี้เรามาอยู่ครึ่งทางก็เลยยังพร้อมีสลับกันไปมีบ้างมีไม่มีมากมีน้อยสลับกันไปตาม ตามเหตุการณ์ตามโอกาสก็สำหรับพวกเราก็ขอให้เรามาให้ความสำคัญกับตัวพวกเราก่อนพวกเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นก่อนหลุดออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก่อนเรื่องของการอนุรักษ์ศาสนาเรื่องของการเผยแพร่สั่งสอนผู้อื่นนี้เป็นเรื่องรอง ต้องตั้งตามมาทีหลังเรื่องแรกก็คือเราต้องหลุดพ้นก่อนเราต้องศึกษาปฏิบัติก่อนเมื่อเราศึกษาปฏิบัติเราหลุดพ้นแล้วเราก็จะไปช่วยคนอื่นต่อไปได้ถ้าเรายังไม่หลุดพ้น เราไปช่วยคนอื่นไม่ได้เหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นไปช่วยคนจมน้ำเดี๋ยวก็จมด้วยกันทั้งคู่หรือคนตาบอดไปสอนคนตาบอดก็หลงทางด้วยกันทั้งคู่องนั้นต้องทำตนเองให้เป็นคนตาดีก่อนเมื่อตาดีแล้วก็จะสามารถไปสอนให้ผู้อื่นต่อไปได้ น, นี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่เรามาทำกันในวันหยุด ขอให้พวกเราพยายามทำกันไปเรื่อยๆทำกันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าผลที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัตินี้จะต้องตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวะหาปุราปริรปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเเปุเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยาถามณิโชติระโส ยะถาสัพพิโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมัเตภวะโนอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนศีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวทานติอายุวันโอสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาถ้ามไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ ครับผมวันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาทั้งหมด253ท่านยู YouTube ทูบ236ท่านวิทยุออนไลน์28ท่านพุทธฟังบนเขา207ท่านรวมทั้งหมด724ท่านครับผมก็มใครอยากจะถามก็ถามได้นะ ถ้าอยู่บนศาลาก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าทบุญกับพระที่อาบัติประชิกจะได้บุญไหมคะได้เพราะทำบุญกับคนที่ไม่เป็นพระก็ยังได้ คนที่อาบาดประราชิกก็ถือว่าไม่ได้เป็นพระเท่านั้นเองแต่ทําบุญกับใครก็ได้เพราะบุญเกิดที่ใจของผู้ให้ไม่ได้อยู่ที่ผู้รับผู้รับเป็นใครก็ไม่ไม่ไม่เป็น ไ, ไ, ไ, ไม่สําคัญบุญเกิดจากการเสียสละแบ่งปันพอเราได้เสียสละแบ่งปันให้กับผู้อื่นไปผู้อื่นจะเป็นโจรก็ยังได้นะ เป็นใครก็ได้อย่างในหลวงอภัยโทษอภัยทานพวกที่ติดคุกติดตารางอันนี้ก็ได้บุญพวกติดคุกติดตารางก็เป็นคนคนทำผิดทำบาปทำอะไรต่างๆก็อภัยทานใ ห, ให้เขาพ้นโทษนีก็คนให้ก็ได้บุญได้ความสุขเพราะรู้ว่าการอยู่ในคุกกับการอยู่นอกคุกมันต่างกันอย่างไร การให้อะไรกับคนที่เขาเดือดร้อนให้เขาบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็จะเกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมาความสุขใจก็คือบุญนี่เราต้องเข้าใจว่าการทำบุญนี้มันมีประโยชน์หลายด้านด้วยกันอันนี้เราพูดถึงด้านหนึ่งคือด้านของผู้ให้นะส่วนด้านของผู้รับนี่เราก็อาจจะได้รับประโยชน์หรือไม่รับประโยชน์ก็ได้ อยู่ที่ผู้ผู้รับว่าเขามีอะไรให้เราหรือไม่ถ้าเราให้กับพระพระอริยบุคคลพระพุทธเจ้าเราจะได้ธรรมะอันประเสริฐเราถึงเลือกถ้าเราอยากจะได้สิ่งตอบแทนจากผู้รับเช่นอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปทาบุญกับพระที่มีธรรมะเยอะๆถ้ามีธรรมะเยอะก็ได้ธรรมะเยอะธรรมะน้อยก็ได้ธรรมะน้อย ท่านหึงเปรียบเทียบ ว, ว่าทําบุญกับพระธรรมดาได้หนึ่งเท่าทำบุญกับพระที่ศีลบริสุทธิ์ได้สิบเท่าทำบุญกับพระที่ได้สมาธิได้ร้อยเท่าทําบุญกับพระโสดาบันได้พันเท่าพระสกิราได้หมื่นพระอนาคาได้แสนพระอาหารหันได้ล้านพระพุทธเจ้าได้ร้อยล้านพันล้าน เพราะความสามารถในการให้ธรรมะของแต่ละท่านนี้มีมากน้อยต่างกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับจากการทำบุญของเรากับบุคคลที่เราไปทำบุญด้วยดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญเพื่ออะไรถ้าเราทำบุญเพื่อความสบายใจเราทำกับใครก็ได้แต่ถ้าเราทำบุญอยากจะได้สบายใจด้วยแล้วยังอยากได้ธรรมะด้วยเราก็ต้องไปทากับพระ เราก็จะได้ทั้งความสบายใจแล้วเราก็ได้ได้ได้ธรรมะความรู้ด้วย mm hmm. เปรียบเหมือนสมัยนี้เราเติมน้ามันตามปั๊มต่างๆก็มีบางปั๊มก็มีของแจกบางปั๊มก็ไม่มีของแจกถ้าเราเติมต้องการน้ามันอย่างเดียวเราเติมปั๊มไหนก็ได้ส่วนถ้าเราต้องการของแจกเราก็ต้องเลือกปั๊มที่เราต้องการถ้าเขาแจกยาสีฟันก็เอาไปตาม <laughs> เราเขาแจกผ้าเราต้องการอะไรเราก็ไปเลือกปั๊มอันนี้เป็นผลอีกอย่างหนึ่งงั้นบางทีเวลาพูดไปแล้วคนฟังแล้วจะงงร้อยทําบุญกับผ้าละหันกับทําบุญกับหมาก็ได้ได้บุญเท่ากันได้ความสุขใจเท่ากันช่วยหมาช่วยผ้าละหันก็มันก็ทําให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันแต่ช่วยหมาก็ได้ได้หมามาเห่าเฝ้าบ้านให้ ช่วยพระอาหารนก็จะได้มามีครูมาสอนให้เรากำจัดติเลศนะันอันนี้ต่างกันฉะนั้นขอพูดให้มันครบเดี๋ยวพูดไปแล้วครึ่งเดียวแล้วมาว่าทีหลังว่าเอ๊ะทำบุญกับพระกับทำบุญกับมามันทำไมได้ผลเท่ากันอ่าต่อไปคำถามต่อไปจากคุณตุลพัคบุญนะคะ กราบนมัสการพระอาจารย์ <c oughs> ผู้ที่ลงจากพมโลกลงสู่สวรรค์ในปัจจุบันชาติเกิดเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติให้มีสติสมาธิได้ง่ายจะเข้าการยกจิตวิปัสสนาอย่างไรครับและยังถึงโสดาบันได้ในปัจจุบันชาติจะทําอย่างไรครับก็ต้องเข้าหาพระอริยบุคคลให้สอน ว่าวิธีที่จะยกจิตจากสมาธิจากฌานจากอุกเบกขาให้ขึ้นสู่ระดับอริยบุคคลขึ้นได้อย่างไรฮะก็ต้องไปละสังโยชนะสังโยชน์มีอยู่สิบเส้น ด, ด้วยกันสังโยชน์เป็นเหมือนเชือกลดจิตใจให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องไปละสังโยชน์แบ่งเป็นสามเส้นห้าเส้นสบเส้น เป็นพารยาบุคคลขั้นที่หนึ่งก็ต้องไปตัดสังโยชน์สามข้อคือสักกายทิฏฐิวิจิตกิจฉาศีลพธธัตตาปรามานะสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่าร่างกายหรือขันห้าเป็นตัวเราของเราต้องศึกษาให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราไม่ได้เป็นขันหา้าเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดขันห้าเป็นดินน้ำลมไฟกับเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจของเรา ร่างกายเป็นดินน้ำลมฝอส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจที่เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไปเหมือนแสงหิ่งห้อยต้องปล่อยวางเพราะไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นตามใจเราไม่ได้ถ้าอยากเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ถ้าปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายปล่อยให้แก่ปล่อยให้เจ็บปล่อยให้ตาย เวลาแก่ก็ไม่ไม่ทุกข์เวลาเจ็บก็ไม่ทุกข์เวลาตายก็จะไม่ทุกข์ก็จะละจะละสัจ ก, กายทิฏฐิได้ก็ะจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีเห็นว่าความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมีมากคคอเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยมันไป ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์กับขันหา้ากับร่างกายพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะละวิจิตกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ว่าไม่จริงหรือไม่พอมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่ผู้ที่เห็นธรรมก็ต้องเห็นพระพุทธเจ้าพราธรรมมาจากพระพุทธเจ้านั่นเอง แล้วผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นพัะพุธเจ้าได้ก็คือพระอริยสงฆ์ผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันนก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะไม่ไม่สงสัยไม่ลูกคำในศีลศีลธรพระธปรมาจจะเห็นคุณประโยชน์ของศีลว่าเป็นสิ่งที่จะปกป้องจิตใจไม่ให้ไปตกต่ำได้จิตใจไปตกต่ำไปเกิดในอบายก็เพราะไปทาบาปนี่เองอริยบุคคลทุก ระดับก็จะไม่มีการกระทําบาปอีกต่อไปร <Yeah. S 2> ักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต <Yeah. S 2> ก็ต้องตัดไปเรื่อยๆต้องใช้ปัญญาตัดสมาธิตัดไม่ได้ศีลตัดไม่ได้ทานตัดไม่ได้ <Yeah. S 2> แต่ต้องอาศัยทานศีนสมาธิถึงจะมีกำลังที่จะไปใช้ปัญญาต่อไปได้ yeah. คำถามต่อไปจากคุณเพนพันธ์ทธัทวีขอเมตตาถามพระอาจารย์ความยากที่สุดที่จะเป็นพระอริยะขั้นแรกคือโสดาบรรันลุคืออะไรเจ้าคะความยากก็คือความขี้เกียจนะฮะถ้าไม่ขี้เกียจแล้วไม่มีอะไรยาก <laughs> พระพุทธเจ้าบอกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความขี้เกียจติดคุกได้ด้วยความขี้เกียจออกจากคุกได้ด้วยความขยันขยันปฏิบัติทานศีลสมาธิปัญญาไปแล้วมันก็จะหลุดพ้นได้ ความอยากมันความยากมันอยู่ที่ความขี้เกียจของเรานั่นเองที่เป็นตัวอุปสรรคที่สำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีความขี้เกียจแล้วหลุดพ้นกันไปนานแล้วเนี่ยที่มานั่งนี่สิบห้าปีแล้วใช่ไ ม, นะนะม 48, 48ไเนี่ยฮะปีเท่าไหร่นะที่มาครั้งแรกสี่เจ็ดหรือสี่แปดสี่แปดแลยก็สิบสี่ปีนะนี่หกสองนะ ค, ครบรอบแล้วเนะี่ย อ4สิบสี่ปีพอดีเจ็ดเจ็ดปีสองรอบคนเนี้ยคนหนึ่งเขาจบไปนั้นเจ็ดปีแรกแล้วนี่เจ็ดปีที่สองก็ยังมาอ่าแสดงว่าขี้เกียจมากฟังอย่างเดียวขยันฟังแต่ขี้เกียจปฏิบัติก็<笑><笑>เลยไม่ก้าวหน้าไม่คืบหน้าอ่าต่อไปหมดแล้วยังคำถามมีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กราบนมัธยการเรียนถามพระอาจารย์ครับกรณีไปเยี่ยมผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือมีโอกาสารอดน้อยมากแต่ยังรู้สึกตัวดีพูดคุยโต้อตอบกันได้บ้างเราจะมีทำหรือคําพูดใดที่ทําให้ผู้ป่วยสบายใจขึ้นครับก็อยู่ที่ผู้ป่วยเขาสบายใจกับคําไหนนะ <c oughs> ก็ต้องรู้ว่าเขาชอบคําไหนไปพูดคาที่เขาไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็ไม่สบายใจ เยังก็ต้องคุยกันไปแล้วก็ลองถนานากันแล้วก็ลองดูว่าเขาชอบอะไรอยากจะฟังอะไรก็พูดอย่างนั้นไปแต่ขนาดที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่สนใจการคําพูดของเราเวลาเขาจะตายเขาจะมาสนใจคําพูดของเราหรือยันก็ต้องดูฐานะของเราด้วยว่าเขายินดีอยากจะฟังจากเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยินดีอยากจะฟังไว้พูดก็ไม่มีความหมายอะไร ความอยากของเราบางทีมันมองข้ามไปความมองข้ามความเป็นจริงไปว่าเรามีสิ่งที่เขาอยากจะฟังหรือไม่ถ้าเมื่อเขาไม่มีสิ่งเราไม่มีสิ่งที่เขาอยากจะฟังไปพูดทำไมพูดกไ็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบในมัสการครับพระอาจารย์ เป็นค า, ารวะที่รักษาศิห์ห้าสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับ อ, อ๋อสิห์ห้าอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าถึงจะบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ <c oughs> คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับ กรณีเราพูดถึงเรื่องความตายพูดถึงเรื่องการจัดการจัดงานศพตัวเองบ้างเมื่อเสียชีวิตเราสามารถพูดได้ไหมครับเพราะบางคนว่าไม่ควรพูดเป็นลางร้ายไม่ดีครับก็แล้วแต่คนเชื่อบางคนเชื่อว่าพูดคําว่าตายมันไม่เป็นมงคลบางคนเชื่อว่าพูดคําว่าตายแล้วเป็นประโยชน์เพราะจะได้เตรียมการได้เนะ่งั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะพูดกับใครคนที่เขาฟังเขาจะ ชอบหรือไม่ชอบเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าก็ไม่ชอบก็อย่าไปพูดให้เขาฟังพูดก็ให้กับคนที่เขาเชื่อเขาชอบฟังคําถามจากคุณนภพัฒแสงสมบูรณ์กราบนามัสการพระอาจารย์ดิฉันมีความทุกข์ดิฉันได้ไปทําความผูกมิตรกับเพื่อนบ้านแค่ แต่ดูเหมือนถูกปฏิเสธดิฉันได้ซื้อของกินไปให้เขาหลายครั้งแต่ละครั้งดูเหมือนเขาไม่ค่อยอยากรับแต่เราคิดว่าเราคิดดีอยากผูกมิตรแต่ครั้งล่าสุดเขาบอกว่าคราวหน้าไม่ต้องซื้อมานะเขาไม่กินดิฉันรู้สึกเศร้าใจมากค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าการที่เราซื้อของไปให้เขาเขาคิดว่าเราอวดรวยหรือเปล่า เพราะของที่ซื้อไปก็ล้วนแต่ของดีมีราคาเพราะอิชานคิดว่าซื้ออะไรให้ใครกินก็ต้องให้ของดีๆแต่รู้สึกว่าเขาไม่โอเคจะมีวิธีคิดอย่างไรคะไม่ให้ทุกข์ค่ะข อ, อพระอาจารย์แนะนำก็เป็นของใหม่สิถ้าเขาไม่ชอบของนี้ก็เอาเราเอาเงินสดๆไปว่าง <laughs> <laughs> ถ้ายังไม่รับก็อาจจะน้อยก็เพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆ <laughs> รับรองได้ เดี๋ยวสักวันนั่นต้องรับได้นะถ้าล้อยนึงไม่เอาก็ลองสักพันหนึงนะ่งถ้าพันไม่เอารองสักเหมือนดนะูถ้าเหมือนยังไม่เอาลองสักแสนดูนะเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วต้องเอานั่นนะ <laughs> เดี๋ยวเราให้เขาน้อยไปหรือเปล่าให้ในสิ่งที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าให้อันนี้เขาไม่เอาก็ให้อีกอย่างสิอย่างบางทีให้นมเด็กให้มันอย่างนี้มันไม่เอาก็เหานมอีกอย่างให้มันะ เดี๋ยวมันก็เอาเองอะ่ะพราะมันได้อย่างที่มันอยากได้มันก็เอานะั่นยั้นต้องต้องรู้จักรู้จักใจเขาว่าเขาชอบอะไรเขาอยากได้อะไรอก็หาสิ่งที่เขาชอบก็อยากให้ไปสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือเงินนี่แหละไม่มีใครไม่ชอบเงินหรอกชอบด้วยกันทุกคนใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองะถ้าให้แล้วยังไม่รับก็แสดงว่ายังน้อยไป แม่แบบงูเห่าเนี่ยเขามีข่าวงูเห่าเนี่ยให้สิบล้านไม่พอห้าสิบยี่สิบเดี๋ยวก็รับเองอะ่ะวิธีผูกมิตรของสสเนี่ยของของพรรคการเมืองเขาผูกมิตรด้วยเงินใช่ไหมเขาก็ให้เงินกันถ้าให้พอที่เขาต้องการเขาก็เป็นมิตรกันถ้าไม่พอก็เป็นศัตรูกัน มีคำถามจากคุณวันนภ า, าสุภาพันธ์กราพระอาจารย์ครับสอบถามครับถ้าเรายังมีภรรยาและอยู่กินนอนกับภรรยาจะสามารถบรรลุธรรมโสดาบันถึงอรหันต์ได้ไหมครับแต่ก็รักกันดีครับแล้วถ้าเราจะทิ้งให้ภรรยาอยู่ตามเวญกรรมจะบาปไหมถ้าเราออกบวชอ๋อไม่บาปหรอก ถ้าเราตกลงกันพูดกันขออนุญาตกันถ้าเขาอนุญาตเพราะเราเป็นเหมือนเป็นสมบัติของเขาถ้าเราจะไม่ทำหน้าที่ของเรากับเขาเราก็ต้องขออนุญาตจากเขาถ้าเขาอนุญาตให้เราไปบวชไปปฏิบัติธรรมได้เราก็ไปการไปปฏิบัติธรรมก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปฏิบัติตลอดเวลาเมื่อบรรลุแล้วจะกลับมาอยู่กับเขาอีกก็ได้เพราะโสดาบันนี่ยัง ยังมีความอยากมีแฟนอยู่ยังรักภรรยาอยู่ยังไม่เบื่อภรรยาอยู่พอเขาบรรลุเป็นโสดาบันเขาก็อาจจะกลับมาอยู่กับเราต่อก็ได้อยู่กับภรรยาต่อก็ได้แต่การที่จะบรรลุมันต้องไปปฏิบัติเหมือนกับไปเรียนหนังสือนะา ก, การจะไปจบปริญญาก็ต้องไปเรียนไม่ใช่อยู่กับภรรยายแล้วจะวให้จบปริญญาก็ต้องไปเรียนอไปเรียนช่วงไปเรียนก็อาจจะห่างจากภรรยายบ้าง แต่พอเรียนจบก็กลับมาอยู่กับภรรยาต่อได้คาถามจากคุณภูมิสูุภสูง <c oughs> กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับสงสัยว่าสารพระภูมิมีจริงหรือไม่ครับอ๋อสารมันมีจริงแต่พระภูมิไม่มีจริงหร <c oughs> อกเี่ย <c oughs> สารตั้งกันเยอะแยะไปหมืของจริงนะแต่พระภูมิไม่มีผู้ที่จะไปอยู่ในสารไม่มีอ แต่สาระมีสารมีจริงเพราะเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาไปซื้อมาตั้งมันก็มีสารพระภูมิแต่พระภูมินี้ไม่มีจริงพระภูมิก็คือความเชื่อว่ามีเทวดากายทิพย์ที่อาจจะอยู่แถวนั้นคือกายทิพย์ระดับต่ำพวกที่ทำบุญน้อยก็อาศัยต้นไม้อาศัยเรือนร้างอาศัยที่ว่างอยู่อาศัยพอเราไปปลูกบ้านอะไรเราก็กลัวจะไปปลุกลูกเขา ก็เลยไปสร้างบ้านทดแทนให้เขาเนี่ยแต่สร้างนิดเดียวไม่รู้เขาจะอยู่ได้หรือเปล่าแต่ก็เป็นแสดงการเหมือนกับว่าเป็นการเคารพคารวะผู้เจ้าของที่ว่ากับผมไม่ได้มาเบียดเบียนท่านนะผมมาสร้างบ้านให้ท่านอยู่ขอให้ท่านอย่ามารังควานกับผมนะขอให้เราอยู่ด้วยกันท่านก็มีบ้านผมก็มีบ้านอันนี้คือการสร้างบ้านให้กายทิพย์อยู่นะพวกที่เป็นกายทิพย์ แต่เราไม่รู้ถ้าเราไม่มีตาทิพย์เราจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอมีกายทิพย์อาศัยอยู่หรือไม่แต่ก็ทําไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสบายใจไม่ใช่นนะเดี๋ยวเกิดมีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านก็คิดว่านี่อะไหไหมเจ้าของที่เขามามามารบกวนนะปล่อยให้ไฟไหม้บ้านปล่อยให้ขโมยขึ้นบ้านอะไรทั้งนองนี้ก็อะไรเป็นความเชื่อว่าเมื่อปลูกบ้านแล้วก็ต้องปลูกบ้านให้อ่า ให้ให้อะไรกายทิพนี้อยู่ด้วยให้พระภูมิอยู่ด้วยเจ้าที่เจ้าทางพระภูมิก็คือเจ้าที่เจ้าทางเป็นความเชื่อแต่จะมีหรือไม่นี้ไม่รู้ตั้งแต่เรามาอยู่บนเขานี้เราก็ไม่ได้สร้างศาลพระภูมิให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่ก็ไม่เห็นมีใครมาลังควานไม่มีเห็นนีอะไรหมดแล้วเลยก็พอดีหมดเวลาพอดี